ข้อความในมัชิมาเนกายมูลปันนามหาสีหนาสูตรในหน้าสาสิบเจดข้อหนึ่ง้ห้าสิบพระนนกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณราวป่าด้านตะวันตกนอกพระนครไผ่สาลีหรือว่าเวสาลี ก็โดยสมัยนั้นแลสุนักขัตะลิชวีบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ไม่นานนักก็แปลว่าศึกขาลาเพศออกจากพระภิกษุเ น, น่หลังจากที่ศึกษาลาเพศไปแล้วก็กล่าววาจานะในบริษัทณเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งคือโลกุตระธรรมหรือโลกุตรมะมัจเป็นธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ โลกุตระมักนี่แหละที่เป็นญาณทัศน์ยานทัศน์อันวิเศษพอแก่ความเป็นพระอริยะของพระสมณโคดมไม่มีอันนี้มาโหดมากเลยนะปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่มีมักอะไรเลยโสดาปฏิมักสกาธาคามีมักอนาคามีมักอรหัตตมักของพระพุทธเจ้าไม่มีอันนี้ออกมาปฏิเสธอรหัตตมักหรืออริยมักของพระพุทธเจ้าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมะที่ประมวลได้ด้วยการตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแล้วก็แจ่มแจ้งได้เองคิดเองว่าไปเองว่างั้นเถะต่อไปอีกแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์อะไรนั่คือเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลนิพพานเนี่ยนะธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทําตาม ปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าทุกประการแต่ธรรมะท่านดีใครปฏิบัติบรรลุจริงเออปฏิเสธพระพุทธแต่ยอมรับพระธรรมจริงอ่ะมันปฏิเสธแล้วก็ยอมรับแบบคนมีแผนเขาว่างั้นนะฮะแผนคือถามว่าประวัติของพระสุนัขขตะลิชวีบุตรหรือว่าสุนัขขตะลิชวีบุตรเนี่ยเขาคือใคร เขาก็คือลูกเจ้าลูกเจ้าแห่งกษัตริย์นครไพราลีตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองไพราลีแสดงธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็มีศรัทธาแล้วก็ออกมาบวชพอออกมาบวชแล้วเขาก็มีศรัทธาที่จะบวชนะบวชแล้วก็มีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนมีศรัทธาถึงขนาดว่าขอเป็นอุปถากรใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ติดเรียกว่าเป็นอุปถากในจํานวนอุปถากทั้งหลายคืออุปถากสมัยพุทธกาลที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะช่วงต้นๆก็มีใครบางมีเนี่ยพระนาคาสมาละพระเมฆียพระจุนทะแล้วก็พระสุนัขตาฤชวีแล้วก็พระอ น, นุ์เนี่ยนะก็มีหลายท่านเนี่ย น, นี้ก็คือตอนนั้นอนะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งพระสุนัขตาฤชวีบุตรคอยเป็นพุทธอุปถักที่นี่สุนัขตาฤชวีเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเรามองเฉพาะชาติปัจจุบันนี้เราจะไม่รู้จักเขาดีแต่ถ้ามองในอดีตชาติที่พระองค์แสดงไว้ในพรมนารถากสปะชาดกเนี่ยนะเขาคือพระเจ้าคืออาจารย์ของพระเจ้าอังคติราชอาจารย์ที่อดีตชาติเขาเคยเป็นนักบวชนุ่งลมห่มอากาศชื่อว่าคู่นาชีวกกสปโคดสอนลัทธิมิฉาทิฐิ พระเจ้าอังคติราชเนี่ยนะเข้าไปหาอาจารย์กูนาชีวกคนนี้หลังจากนั้นเปลี่ยนเลยว่างั้นเปลี่ยนจากคนละคนไปเลยจากพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมกลายเป็นพระราชาที่โหดเทียมกลายเป็นพระราชาที่ปกครองโดยอยุติธรรมทันทีเพราะว่าเขานี่มีลัทธิอ่าลัทธิที่เรียกว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไม่มีใครมีบุญคุณอะไรทั้งนั้น แต่แล้วเขาก็สอนลัทธิมิจฉาทิฐิในยุคนั้นนะในยุคในเรื่องของพรมนารทะกสปะชาดกนันเขาเนี่ยเป็นเจ้าลัทธิผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยแหละทีนี้บุญก็เขาก็ไม่อย่างว่านะคนที่เวียนว่ายในตายเกิดในวัตตะมันก็ไม่ใช่ว่าทำบาปโดยส่วนเดียวนันบุญบาปที่เขาทำก็เป็นปัจจัยไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกแต่บุญที่เขาทาก็เป็นเหตุให้เขาโคจร เกิดมาในสมัยพุทธกาลอีกเหมือนกันพอ เ, เกิดมาแล้วก็บุญเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยให้เขาได้มาบวชทีนี้ความที่เขามาบวชเขาก็มีศรัทธาในคำสอนศึกษาเล่าเรียนคำสอนนะมีหลายสูตรพระพุทธเจ้าเทศสูตรที่ลึกซึ้งให้เขาฟังนะใ ห, ให้ให้พระสุนัขาตะเนี่ยฟังเขาก็ฟังทำนี้มีอยูอ่ปกติเนี่ยในหน้าหกสิบเจ็ดกล่าวถึงว่าหลังจากพรสุนขาตะฤชวบุตร ที่บวชเข้ามาตอนหลังเขาปฏิเสธพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะก็เนื่องจากว่าเขาโกรธในพระพุทธเจ้าเดี๋ยวข้างหน้าอีกนิดหนึ่งจะมีต่อไปในอัตถกถาอธิบายว่าบท ว, ว่าสุนัขขตะเป็นชื่อของเขาสุนัขขตะนั้นเรียกว่าลิชชวีบุตรเพราะความที่เขาเป็นบุตรของเจ้าลิชชวีทั้งหลายก็คือเป็นเชื้อพระวง์เชื้อกระสับนะนะหลังจากที่เขาศึกเป็นเครหัดหลีกไปไม่นาน วันหนึ่งก็ไปในถ้ำกลางบริษัทก็ไปกล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอุตริมนุสธรรมพอที่จะเป็นพระอริยะได้ส่วนมนุสยธรรมนี่คืออะไรคืออุตริมนุสธรรมเราว่าธรรมที่ยิ่งกว่าของมนุษย์มันก็แบ่งว่าแล้วธรรมของมนุษย์ปกติคืออะไรก็คือกุศลกรรมบทเสชื่อว่ามนุสยธรรม สุนัขต่านั้นไม่สามารถปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกุศลกรรมบทสิบเพราะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าล่วงอาจกุศลกรรมบทจากที่ไหนไหนเมื่อไรและอย่างไรเลยพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจความที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจอาชีพนี่แหละพระองค์ไม่ต้องการให้ใครมาคอยเป็นพยานในความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์นี่จะไม่ไม่ขอร้องสาวก คือเนื่องจากถาวัศาสาศดาใดที่เป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ศาสดานั้นจะต้องคอยได้รับการคุ้มครองจากสาวกอย่างสมมุติในอย่างนัก บ, บวชสมัยนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่ไปทําผิดศีลผิดธรรมไปเดิมเล่าเมายาเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ตัวเองเนี่ยยังต้องอยู่ในสังคมนี่ทํายังไงไอ้ใครที่รู้เห็นก็เอาพวกนี้มาเลี้ยงไว้เรียกว่าคอยอะไรนะคอยอ้อนวอนคอยขอร้อง เลี้ยงเขาไว้ดีเขาจะได้ไปเปิดเผยความชั่วของตัวฉันใดศาสดาหเหล่าใดที่ไม่ดีจริงไม่มีความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะไม่บริสุทธิ์ทางอาชีพบุคคลเหล่านี้จะคอยคอยให้สาวกมาคุ้มครองมาป้องกันแต่สําหรับพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ทั้งอยู่ที่แจ้งอยู่ที่รับอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดิมเนื่องจากว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์อย่างนี้นี่แหละ สุนัขตะก็เลยอืกล่าวไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกุศลกรรมบทสิทเพียงแต่ว่าบอกว่าพระ อ, องค์ไม่มีอริยมรรคกล่าวว่าไม่มีอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะตั้งคําถามว่าเพราะเหตุไรสุนขตะจึงไม่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีกุศลกรรมบทสิทก็เพราะกลัวเขาตําหนิเพราะในเมืองภัยสาลีเนี่ยมนุษย์เป็นจํานวนมากเลื่อมใสแล้วในพระรัตนะตาย เป็นพุทธมามะกะนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมและนับถือพระสงฆ์ก็คือเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระรัตนตรายไอเมืองภัยาลีเนี่ยนะโดยปกติสมัยพุทธกาลนั้นปกครองประชาธิปไตยในหมู่เจ้าคือพวกเจ้าเนี่ยจะช่วยๆกันปกครองแต่เจ้าเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนวาระว่าเอาใครมาเป็นหัวหน้าเป็นเป็นประธานสภาสูงสุดบางครั้งก็จะเป็นสีหเสนาบดีเนี่ยเป็นใหญ่ก็เปลี่ยนวาระกันไป นี่ในหมู่เจ้าเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ประชุมสภาบ้านเมืองเสร็จก็มานั่งสนทนาธรรมสนทนาพุทธคุณกันเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ในอังคุตรนิกายกล่าวว่าอย่างนั้นเขาก็สนทนาพุทธคุณกันเพราะฉะน์นหมู่เจ้าเหล่านี้เนี่ยหลายคนบรรลุมรรคผลนิพพานนะบรรลุมรรคผลกันไมน่ไม่ใช่น้อยเลยเพราะฉะนั้นประชาชนแม้กระทั่งเชื้อเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายที่ปกครองเมืองภัยาลีเนี่ย ถ้าหากว่าสุนัขขตะลิชวีบุตรไปบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกุศลกรรมบทถ้าสุนัขขตะลิชวีบุตรมากล่าวว่ากุศลกรรมบทตรสิบของพระสมณะโคดมไม่มีเขาเหล่านั้นผู้นับถือพระรัตนะไตรก็จะถามว่าท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าฆ่าศัตร์ที่ไหนท่านเห็นพระพุทธเจ้าลักขโมยของของใครท่านเคยไปเห็นพระพุทธเจ้าผิดในกามที่ไหนมา เป็นต้นเนี่ยนะเขาจะได้รับการซักฟอกอ น, นะถ้าหากว่าตัวเองไปเที่ยวพูดไปเรื่อยเปลือยใช่ไหมถ้าเกิดไปด่าพระพุทธเจ้าว่าแหมมนุษยยธรรมก็ยังไม่มีเลยคนอะไรเลวสมบูรณ์แบบอ น, นะคุณธรรมความเป็นมนุษย์ยังไม่มีเลยนะอ้าวแล้วเคยไปเห็นพระพุทธเจ้าทําชั่วที่ไหนมาเพราะฉะนั้นเขาก็แบบอะไรนะก็กลัวตัวเองจะถูกตําหนิเหมือนกันเนาะกลัวตัวเองถูกประจานก็เลยไม่พูดอย่างนั้นอ น, นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่า สุนัขต่าเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณของตนแสดงว่ากินหินกินกรวดก็เลยคิดว่าฟันของตัวเนี่ยจะมีจึงพยายามจับหางงูท่านปรารถนาเพื่อจะเล่นพวงดอกไม้ในฟันเรื่อยและก็พวกเราเนี่ยจากยางฟันทั้งหลายของท่านให้หลุดจากปากถ้าพูดไม่ดีฟันร่วงนะเหมือนกันนะแสดงว่าเจ้าเรานั้นก็ไม่บอลเนี่ยนะก็คือก็บอกว่าเนี่ยสุนัขต่าท่านเคยเห็นที่ไหนมาว่าพระพุทธเจ้าไปผิดอกุศลกรรมบท เพราะว่าถ้าหาว่าไปพูดว่าพระพุทธเจ้ารักษากุศลกรรมบทไม่ได้ถูกก็ตีกลับมาแน่ตีกลับจะเสียหายเลยบอกว่านี่รู้หรือเปล่ากาลังพูดอะไรอยู่คําที่ท่านพูดเนี่ยฟันของท่านก็เหมือนกับเคี้ยวหินเคี้ยวกรวดอะไรหรือเล่ น, เ ล, น, เ, ลนเล่นก็เรียกว่าจับงูที่หางเล่นพวงดอกไม้ในฟันเลื่อยสมไมนี่เคยเห็นโรงน้ำแข็งไหไอ้โรงน้ำแข็งไอ้ฟันเรื่อยที่ตัดน้ำแข็งในแหม่มันแผ่นใหญ่มากเลยนะไปเล่นพวงมาลัยแถวๆนั้นนีนน่อะไรจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะทําฟันให้ร่วงตัวเองก็เลยไม่กล้าพูดอนะจริงก็เหตุผลหลายอย่างแต่จริงก็อยากจะด่าเหมือนกันแหละแต่ว่ามันพูดไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าเอาเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธคุณนะพิเศษนอกจากมนุษยธรรมนั้นอุตรีนี่เขาพิมพ์เกินอันนะัเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธว่าอุตริมนุษยธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีคืออะไร คือโลกุตระมักเนี่ยนะยาณทัศนะอันวิเศษควรแกเป็นพระอริยเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามีเฉพาะมนุษยธรรมพระองค์มีแค่กุศลกรรมบทสิบเท่านั้นบทว่าอลรามริยะก็ควรเพื่อจะรู้อริยะอันสามารถเพื่อความเป็นอริยเจ้าญาณทัศนะนั้นชื่อว่าญาณทัศนะอันวิเศษญาณทัศนะอันวิเศษนั้นด้วย เป็นอันควรแก่พระริยเจ้าด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าอาละมะริยญาณทัศน์วิเศ ษ, ษะเนี่ยนะยาณทัศน์วิเศษะในสูตรนี้ท่านประสงค์เอาโลกุตระมะแต่ส่วนญานณทัศน์ในพระไตรปิฎกมีใช้อยู่หกความหมายด้วยกันปกติในในพระไตรปิฎกเนี่ยความหมายของยานทัศนะมีอยู่หกอย่างเช่นทิพจักสุ บางทีก็หมายถึงวิปัสนาบางทีก็หมายถึงมรรคบางทีก็หมายถึงผลบางทีก็หมายถึงปัจเจกขณะยานบางทีก็หมายถึงสัพพัญญุตระยานนี่เรียกว่าทัศนะในพระไตรปิฎกทั่ ว, ว, วไปนะไปเห็นคําว่ายาณทัศนะ น, นี่แปลเลยทันทีไม่ได้ต้องดูว่าความหมายตรงนั้นแต่ละแห่งหมายถึงอะไรตรงนี้ท่านก็ยกมาให้ดูหกตัวอย่างให้ว่ายาณทัศนะ ส, สามารถแปลว่าทิพะชะักสุกก็ได้แปลว่าวิปัสนาก็ได้มรรคก็ได้ผลก็ได้ ปัจเจกขณะยานก็ได้สัพพัญยุตยานก็ได้แต่เนี่ยนะส่วนอะไรส่วนโลกุตระมัคท่านประสงค์เอาในที่นี้สุนัขตะลิฉวีนั้นปฏิเสธโลกุตระมัคแม้นั้นของพระพุทธเจ้านะปฏิเสธบอกโอ้ธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นญาณทัศน์อันวิเศษพอแก่ความเป็นอริยะคือโลกุตระมัคของพระสมมาณ陀ดม ไม่มีอันนี้คําปฏิเสธที่หนึ่งเลยออกมาปฏิเสธอย่างที่สองเอบอกว่าก็สมณะโคดมเนี่ยนะไม่มีอาจารย์เพราะอะไรเพราะแสดงธรรมโดยการตรึกแสดงธรรมโดยการตรึกการตรองยึดเอาแต่ความตรึกว่าจะมีอย่างนั้นจกมีอย่างนั้ น, น, นคือยอมรับว่าพระสมณะโคดมเนี่ยมีโลกยะปัญญาเขาเรียกว่ามีวิมังสานุจริตังเนี่ยนะ มีปัญญาใไขครควญคิดอะไรได้ลึกซึ้งแต่ไม่มีไม่ได้บรรลุก็ก็จะบอกว่าโง่ก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหพ่อพูดอะไรได้ลึกซึ้งไม่โง่นะท่านก็ฉลาดนะแต่ว่าท่านไม่ได้บรรลุมากอะไรหรอกทุกอย่างท่านสอนตามที่ท่านคิดเอาขาดคะณีเอากะเอานักเดาว่างั้นเพราะสมณโคโดมนั้นยังวิวิมังสา อันเปรียบเหมือนอินทรวิเชียนกล่าวคือปัญญานั้นให้เที่ยวไปข้างนั้นข้างนี้จักเป็นอย่างนั้นจักเป็นอย่างนี้ก็เลยแสดงธรรมคล้อยตามมิมังสาก็แปลว่านักคิดพูดตามที่ตัวเองคิดคิดเองพูดเองเหมือนกันเนี่ปฏิเสธว่าสมณะโคโดมนั้นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเพราะแสดงธรรมตามปฏิพานไหวพลิบไม่ได้เห็นจริงโลกข้อแรกปฏิเสธอะไรนะ ปฏิเสธอริยมร์ข้อสองปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จริงนี้ต่อไปอีกสุนัขขะตนั้นมีความคิดอย่างนี้อีกว่าวิปัสนามร์ผลอันเป็นลำดับแห่งธรรมะอันละเอียดของพระสมณะโคโดมนั้นอ่ะที่ชื่อว่าย่อมประจักไม่มีแปลว่าไม่ได้มีคุณธรรมอะไรเลยอคุณธรรมชั้นพิเศษพิเศษนะไม่มีสมณะโคโดมนั้นเนี่ยที่จริงก็เพราะได้บริษัทธมีวันณะสี่เวทล้อมเหมือนพระเจ้าจากักรพรรด ที่จริงเนี่ยก็มีอะไรเพราะฟันท่านเรียบสนิทดีลิ้นก็อ่อนสุรเสียงก็อ่อนหวานวาจาไม่มีโทษพรองก็เลยพูดแล้วคนเลยชั่วเลยจริงๆเนื้อหาไม่มีหรือเนื้อหาก็ไม่ดีคิดเอาพูดเอาแต่ว่าฟันท่านดีลิ้นท่านดีสำเนียงท่านดีคนเลยชอบรูปดีรูปสวยคนก็เลยเลื่อมใสเขาไะ